มาศึกษาหาวิชาความรู้จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเป็นความรู้ที่นำเอาไปใช้ในการดับทุกข์ของใจได้ทั้งหมด ความรู้อื่นๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถนำเอาไปใช้ดับความทุกข์ใจได้ต่อให้จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกก็ตามความรู้ที่ได้เรียนรู้จากปริญญาเอกระดับหนึ่งของโลกก็ไม่สามารถ นำเอาไปดับความทุกข์ทางใจได้ความรู้ทางโลกนี้มีไว้เพื่อบําบัดความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถนําเอามาบําบัดความทุกข์ทางใจได้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะเอาไปใช้ดับความทุกข์ใจได้นะ เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีความรู้ในการดับความทุกข์ใจนี่เองความทุกความรู้ที่ดับความทุกข์ใจนี้ทางาศาสนาเรียกว่าปัญญาปัญญาก็มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญา ความรู้ที่ได้จากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากผู้รู้คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อันนี้เป็นความรู้อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเรียกว่าจินตามยักปัญญาความรู้ที่เกิดจากการนำเอาความรู้ที่ได้จากขั้นที่หนึ่ง ไปพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อที่จะได้นำเอาไปเป็นความรู้ขั้นที่สามคือภาวนาไมยปัญญาก็คือความรู้ของขั้นที่สองและบวกกับการปฏิบัติสมถ ภ, ภาวนา คือการทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขาถึงจะได้ปัญญาที่เรียกว่าภาวนาไมายปัญญาและเป็นปัญญาขั้นนี้ที่สามารถดับความทุกข์ใจได้ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังไม่มีกำลังที่จะเอาไป ดับความทุกข์ใจได้ต้องมีการพัฒนาจากปัญญาขั้นที่หนึ่งสู่ปัญญาขั้นที่สองและจากปัญญาขั้นที่สองสู่ปัญญาขั้นที่สามคือขั้นภาวนาไมยับปัญญาจึงจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ นี่คือขั้นตอนของการสร้างปัญญาที่จะมาดับความทุกข์ใจต้องเริ่มต้นที่ปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการ ข, ขั้นเรียนรู้ขั้นศึกษาจากผู้รู้การฟังเทศน์ฟังธรรมก็คือการเรียนรู้วิธีดับความทุกข์จากผู้รู้คือพระพุทธเจ้า หรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือฟังจากคำสอนของพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการฟังสดๆดอนๆหรือการอ่านหนังสือหรือฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ก็ถือว่าเป็นการเจริญสุตตมายาปัญญาคือต้องรู้ว่าวิธีดับทุกนี้จะดับได้อย่างไรวิธีดับทุกก็ต้องขั้นต้นต้องรู้ว่าทุกเกิดจากอะไร ทุกข์ของทางใจนี้เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าทุกข์ทางใจเกิดจากความอยากของใจเองความอยากสามอย่างด้วยกันความอยากชนิดแรกเรียกว่ากามตัณหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเกิดความอยากใจก็จะเริ่มสั่น กระสับกสายกังวนกวายอยู่ไม่เป็นสุขแล้วพอไปหาสิ่งที่อยากได้มาเป็นสมบัติก็ต้องมาทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มาเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่คือต้องเรียนรู้ก่อนว่าอะไรทำให้ใจเราทุกข์กัน เมื่อรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์คือตัณหาทั้งสามคือกามาตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหรือความอยากมีอยากเป็นอยากล้ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยและความอยากขั้นแบบที่สามคือวิภาวะตัณหา ความอยากไม่เป็นอยากไม่ปีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ทุกข์ยากลาบากเป็นต้นนี่คือตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจและการที่จะดับความทุกข์ในใจได้ก็ต้องกําจัดความอยากทั้งสามนี้หรือหยุดความอยากทั้งสามนี้เวลามันเกิดขึ้นมา เวลาเกิดขึ้นมาอยากไปเที่ยวถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับการไม่ได้ไปเที่ยวก็หยุดความอยากไปเที่ยวเสียบางทีอยากไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปเที่ยวก็จะไม่มีความสุขอยู่บ้านก็เบื่อหนไาถ้าหยุดความอยากไปเที่ยวได้ก็จะอยู่บ้านได้อย่างสบายไม่รู้สึกกเดเหยียดไม่รู้สึกลำคาญใจแต่อย่างใด การที่จะหยุดความอยากไปเที่ยวได้ก็ต้องใช้มรคคือปัญญานี่เองปัญญาที่จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ก็คือการเห็นใจรักในสิ่งที่เราอยากได้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงวันหมดไป พอมันหมดความสุขที่ได้จากมันก็หายไปความทุกข์คือความเสียใจความเสียดายก็จะเกิดขึ้นมานี่คือกระบวนการขั้นที่หนึ่งของการเรียนรู้ของการสร้างปัญญาที่จะนําเอามาดับความทุกข์ใจต้องเรียนรู้เรื่องของพระอริยสัจสี่นี่ เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน <c oughs> ไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้สามารถเห็นพระอริยสัจสีได้ด้วยตนเองถึงแม้ว่าจะมีอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกๆคนก็ตามแต่สัตว์โลกไม่มีความสามารถที่จะเห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจที่แสดงอยู่ในใจตลอดเวลา เพราะถูกโมหะอาวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้โมหะคือความมุดบอดปกปิดอริยสัจสีที่มีอยู่ในใจนี้ไม่ให้สัตว์โลกได้เห็นกันด้วยการหลอกให้สัตว์โลกหันออกไปมองที่ภายนอกหันออกไปที่ตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อไป สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วพอสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจหรือสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสแบบชนิดที่ถาวร แต่รูปเสียงกลิ่นรสทุกชนิดนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนันตาก็เลยต้องทุกข์กับการสูญเสียแต่ก็ไม่เข็ดพอเสียแล้วก็หาใหม่มาทดแทนของเก่าหามาได้มากได้น้อยเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียไปอยู่เรื่อยๆชีวิตก็เลยคลุกคลีไปกับความสุขความทุกข์สลับกันไปสลับกันมา S <S <an> เวลาเสียไปก็เสียใจพอหามาใหม่มาทดแทนของเก่าได้ก็ดีใจดีใจได้ไม่นานเดี๋ยวก็เสียของใหม่ไปอีกก็มาร้องห่มร้องไห้อีกนี่ก็สลับกันไปอย่างนี้ไปจนถึงวันตายพอตายแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ เพราะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหารูปเสียงเกลื่นรดต่างๆมาเสพนั่นเองก็ต้องไปเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งพอได้ร่างกายก็กลับมาหารูปเสียงเกลื่นลดหาราบยศจรลเสริญเพราะมีความอยากมีอยากเป็นอยากลำ้ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้รางวัลเกียรตินิยมต่างๆ ก็ดิ้นรนไปหากันช่วงดิ้นรนก็เหน็ดเหนื่อยทุกข์กังวลไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าพอได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปก็ต้องหามาใหม่มาเทิมมาเติมอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอ สิ่งต่างๆที่เราหากันในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศ ส, สรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันไม่สามารถให้ความอิ่มความพอกับใจเราได้ให้อิ่มให้พอชั่วเดียวๆชั่วที่ได้มาใหม่ๆตอนนั้นก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจพออกพอใจแต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งความอิ่มเอิบใจ นั้นก็จางหายไปความหิวของใจก็ปรากฏขึ้นมาใหม่อยากได้ใหม่ไปเที่ยวกลับมาก็สุขใจไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ปีใหม่ก็อยากจะไปเที่ยวเดี๋ยวตุรจีนก็อยากจะไปเที่ยวเดี๋ยวสงการก็อยากจะไปเที่ยวมันเที่ยวมาทุกปีทุกเดือน มาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ได้เจอความอิ่มความพอนี่นี่แหละคือทุกทุกเพราะว่าสิ่งที่เราหามาให้ความสุขกับเรามันไม่ให้ความอิ่มความพอกับเรามันกลับให้ความหิวกับเราให้ความอยากกับเราทำให้เราอยากไปหามันอยู่เรื่อย แล้วพอเวลาใดที่หาไม่ได้ก็เป็นเวลาที่ทุกข์ใจหรือเวลาที่ได้มาแล้วสูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราเห็นโทษของสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นทุกข์ทุกข์ เ, นนกเพราะมันเป็นอนาาิจจังทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาอนิจจังก็คือมันไม่ถาวร อนัตตาคือมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดมันจะต้องมีวันพัดพากจากกันถ้าเราเห็นเราก็จะหยุดความอยากได้เพราะรู้ว่าการไปหาสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นการไปหาความทุกข์ให้กับใจนั่นเองเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจ พอเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจที่หิวโหวยก็พลิกกลับเป็นใจที่อิ่มเอิบขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ได้ต้องไปมีอะไรไปได้อะไรมาไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่หยุดความอยากให้ได้เท่านั้นเองความอยากที่เลิตความหิว เมื่อมันหายไปความหิวที่เกิดจากความอยากมันก็หายไปพอความหิวหายไปความอิ่มมันก็เข้ามาแทนที่ทันทีเหมือนกับความมืดกับความสว่างมันอยู่พร้อมกันไม่ได้นถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่างพอมันสว่างมันก็หายมืดนความหิวกับความอิ่มก็เหมือนกัน มันอยู่ด้วยกันพร้อมกันไม่ได้มันต้องผลัดกันมาถ้ามีความหิวความอิ่มก็ไม่มีถ้ามีถ้าไม่มีความหิวความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมานี่คือสัจธรรมหรืออริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าความทุกข์ใจของสัตว์โลก ทุกชนิดเนี่ยความทุกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจนี้เกิดจากความอยากทั้งสามนี้เท่านั้นเกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกินรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ทำให้ใจของสัตว์โลกกะวลกวายกระสับกระสาย เพียงแต่เริ่มอยากเท่านั้นก็เกิด อ, อารมณ์หงดหยงดขึ้นมาแล้วอยากจะดื่มกาแฟนี้พอยังไม่ได้ดื่มนี่อารมณ์ไม่ดีแล้วต้องให้ดื่มเสร็จเรียบร้อยก่อนอารมณ์ถึงจะกลับมาเป็นปกติถ้าไม่มีความอยากดื่มกาแฟมันก็เป็นปกติมันก็เฉยๆนี่คือการเรียนรู้ วิธีรู้ว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรและการที่จะดับความทุกข์นี้ต้องดับด้วยอะไรดับอย่างไรก็ดับด้วยใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องดับใช้ไตรักณ์นี้เพื่อไปหยุดความอยากเพราะพอเมื่อเห็นใจรักษแล้วก็จะไม่อยากได้สิ่งที่ตอนต้นเห็น ที่คิดว่าเป็นความสุขพอพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีการสิ้นสุดลงงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดนะไม่ว่าจะเลี้ยงกันกี่วันกี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดวันใดวันหนึ่งพอมันสิ้นสุดความสุขที่ได้จากงานเลี้ยงก็หายไปความทุก ความอ้างว้างเปล่าเปลียวความเหงาความว้าเหวก็จะปรากฏขึ้นมาแทนที่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่ไม่อยากจะมีความลม ว, าว้าเหว่เศ้าส้อยหงอยเงาหงุดหงิดนำคารใจก็ต้องหยุดความอยากเวลามันปรากฏขึ้นมาจะหยุดได้ก็ต้องเห็นใจรักถ้าเห็นไตรักแล้วยังหยุดไม่ได้ ก็แสดงว่ายังเป็นปัญญาระดับที่สองอยู่คือจินตามายปัญญายังไม่เป็นภาวนามายาปัญญาเพราะยังไม่ได้ไปทำใจให้สงบนั่นเองถ้ารู้ว่าเนี่ยความทุกข์ของเราเช่นตอนนี้อยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพอมาลํำลึกถึงคำสอนก็ลํำลึกได้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยาก ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่หยุดความทุกข์ใจไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ไปฝึกสมาธินั่นเองเราก็ลองไปนั่งสมาธิดูไปนั่งสมาธิใช้สติควบคุมใจให้สงบพอใจสงบใจก็จะเลิมเรื่องของความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปความอยากได้ก็จะหยุดไปอ อันนี้ถึงจะกลายเป็นภาวนามยักปัญญาขึ้นมาได้เบื้องต้นปัญญาสองระดับนี้เป็นปัญญาที่ยังไม่พร้อมที่จะไปสู้กับความอยากที่จะไปหยุดความอยากทั้งสามได้หยุดกามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาได้เพราะยังเป็นเรื่องของความคิดเท่านั้นเอง การฟังเทศฟังธรรมก็เป็นเรื่องของความคิดนะฟังแล้วเราก็คิดตามแต่การคิดตามนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทําตามได้เพราะว่าการจะทําตามการจะหยุดความอยากดับความทุกข์ได้จิตต้องมีอุเบกขานั่นเองต้องมีสมาธิถึงจะมาสามารถหยุดความอยากได้ถ้ายังมีไม่มีอุเบกขา ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดความอยากได้ถ้ารู้แล้วว่าตอนนี้เราทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะเกิดจากความอยากของเราเช่นเวลาเราเสี ย, ส, ยสิ่งที่เราลากไปคนที่เราลากไปเราก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจทำยังไงมันก็ไม่ยอมหาย ถ้าเรารู้ว่ามันเกิดจากความอยากแต่เราก็ยังไม่สามารถหยุดความอยากได้สิ่งที่เราสูญเสียกลับคืนมามันก็ยังทุกข์อยู่นั่นแต่ถ้าเราเคยไปฝึกสมาธิมาก่อนเคยรู้จักทําใจให้เป็นอุเบกขาได้พอเวลาเราเกิดความทุกข์ใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอเราพิจารณาด้วยปัญญา เห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราเสียสิ่งที่เราลักไปก็อยากจะได้คืนพอไม่ได้คืนมันก็ทุกข์ใจพอพิจารณาด้วยปัญญาว่าที่ทุกข์ใจเพราะอยากได้คืนของที่ไม่มีวันที่จะกลับมาแล้วเพราะของที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตต า, ามันมันอนิจจังมันหมดไปแล้ว มันอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราแล้วเราไม่สามารถสั่งให้มันกลับมาเป็นของเราได้แล้วถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นกลับคืนมาเท่านั้นเองเช่นใครยืมเงินมาแล้วไม่ยอมจ่ายนี่ก็ทุกข์กันอยู่ทุกวันนั่งรอให้เขาเอาเงินมาจ่ายเพราะอยากจะได้เงินคืนแต่พอพิจารณาว่า ยางไงก็มันก็ไม่ได้คืนแล้วอ้อยเข้าปากช้างไปแล้วถ้าได้คืนก็กลายเป็นขี้ไปแล้วก็คิดอย่างนี้ก็ปงตกปองอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ไม่ได้คืนก็ไม่เอาคืนวะคิดว่าทำบุญทาทานไปก็แล้วกันพอคิดอย่างนี้หยุดความอยากเอาคืนได้ความทุกข์ใจ จากการที่สูญเสียเงินให้เขายืมไปก็จะหายไปเนี่ยนั่นแสดงว่าถ้าหยุดได้ก็แสดงว่าจิตมีอุเบกขาในระดับนั้นในเรื่องนั้นเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันมีความหนักเบามีความรุนแรงมากน้อยไม่เท่ากันอันไหนนักมากก็ ก็นักมากอันไหนไม่รักมากก็ไม่หนักมากอันไหนไม่รักมากก็ปล่อยได้ง่ายอันไหนรักมากก็ปล่อยได้ยากเะงั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับกำลังของสมาธิของเราถ้าสมาธิของเรามีกำลังระดับ <c oughs> ต่ำก็สามารถปล่อยวางได้ในระดับต่ำระดับกลางก็ปล่อยได้ในระดับกลางระดับ สูงก็ปล่อยได้ทั้งหมดนะระดับเต็มร้อยคือเป็นอุเบกขาตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกมาจากสมาธิก็สามารถประครับประคองอุเบกขาได้ตลอดเวลาพอเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดมันได้ทันทีนี่คือเรื่องของปัญญาสามระดับด้วยกัน เบื้องต้นเราต้องอาศัยเรียนรู้จากผู้รู้ก่อนผู้รู้วิธีการดับทุกข์ก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้นอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระอริยสงสารุกเท่านั้นถ้าไปศึกษาที่อื่นเขาไม่รู้วิธีดับทุกข์เขากลับสอนวิธีให้เราเพิ่มความทุกข์เงินไม่พอใช้หรืออก็ไปทางานเพิ่มสิไป หางานเพิ่มไปหางานด้วยวิธีถ้าสุดจริตหาไม่ได้ก็หาโดยทุจริตนะขอรับชั่นช่อโกงเดี๋ยวก็ได้เงินเพิ่มเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นวิธีดับทุกขเนี่ยเป็นวิธีเพิ่มความทุกข์พอไปทําบาปทํากรรมก็สร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกเนี่ย ไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหนก็ตามจะไม่มีใครสอนให้หยุดความอยากกันจะไม่มีใครสอนให้พิจารณาไตรักกันจะมีแต่สอนว่าก็หาไรายได้เพิ่มเสียทำการตลาดให้มากขึ้นเสีมีนี้ขาดทุนก็ทำการตลาดโฆษณาให้มากขึ้นลดแรกแจกแถมให้มากขึ้นเดียเด๋ยวๆคนมาซื้อสินค้ามากขึ้นก็จะได้ รายได้เพิ่มขึ้นจะได้กําไรมากขึ้นเห็นมบริษัททุกบริษัทนี้ทุกปีจะมีทิเด็ดออกมาอยู่เรื่อยๆปีนี้จะมีลดแรกแจกแถมอะไรเพือกระตุ้นตลาดไงกระตุ้นความอยากตันหาของของของผู้บริโภคพอผู้บริโภคเห็นเห็นลดแรกแจกแถมแบบไม่อั้นนี้ก็รีบไปซื้อกันนะ แต่เดี๋ยวมันพอปีนี้ได้ถึงได้ยอดเดี๋ยวปีหน้าก็อยากจะเพิ่มให้มันมากขึ้นไปอีกเก็ต้องคิดหาคิดค้นอยู่จนเครียดกลายกลายเป็นโรคโรคประสาทไปความอยากมันจะผลักดันให้คิดค้นหาวิธีเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะตอบสนองความอยากได้ มันก็จะเข้าสู่จุดซึมเศร้าขึ้นมาพนะอไม่สามารถทําอะไรตามความอยากได้ใจก็จะเกิดอาการซึมเศร้านี่คือเรื่องของการเรียนรู้ถ้าเราไปเรียนรู้ทางสถาบันการศึกษาทาั้งโลกก็มีแต่สอนวิชาให้หาหาสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามความอยากความข้องารของใจ เขาจะไม่สอนว่าวิธ ng ีง่ายๆก็คือมาลดความอยากไม่ดีกว่าเลยก็อยากได้เงินเดือนเดือนละแสนน้องลดมาเหลือแค่ห้าหมื่นดูมันจะสบายกว่าเยอะทำงานเบากว่าเยอะไม่ต้องเครียดกว่าการหาเงินวิธีที่จะทำให้เราลดเงินเดือนได้ก็คือลดการใช้จ่ายลงซิเที่ยวให้มันน้อยลงใช้ให้มันน้อยลงเท่านั้นเองเนี่ย วิธีของพระพุทธเจ้าวิธีการเบื้องต้นในการผ่อนเบาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็คือให้ใช้ความมากน้อยสันโดษนี่เองนะให้มากน้อยเคยใช้เดือนละแสนก็ตอนนี้ขอใช้แค่เดือนละห้าหมื่นนะลดเงินเดือนของตัวเองลงลดรายจ่ายของตนเองลงก็ลองพิจารณาสูสมัยเป็นเด็กๆมันใช้เดือนละหมื่นเดือนละแสนที่ไหน วันนึงได้ค่าขนมยี่สิบบาทไปโรงเรียนก็ดีใจแล้วนจะไปมีอะไรมากมายทําไมเสื้อผ้าก็เหมนต้องมีมากมายมีชุดนักเรียนสองสามชุดไว้เปลี่ยนก็พอมีชุดไปเที่ยวอีกสองสามชุดนี่ก็พอแล้วเนี่ยทําไมพอโตขึ้นทําไมมันต้องมีเป็นสิบเป็นร้อยชุดเนี่ ย, ยกิเลสตัณหามัน มันหลอกเราคิดว่าถ้ามีมากแล้วจะมีความสุขมากแล้วมันสุขจริงหรือเปล่ามันก็เครียดมันก็ทุกข์กับการหาเงินมาตอบสนองความอยากต่างๆในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากด้วยการปฏิบัติภาวนาเมตตาปัญญาได้ก็หัดมาใช้มักน้อยสันโดษกันก่อนพยายามมาลด ปริมาณค่าใช้ใจ่ายให้น้อยลงมานั่งวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีจริงๆนี้มันมีอะไรบ้างอาหารต้องมีทุกวันเสื้อผ้ามีกี่ชุดถึงจะพอบ้านที่อยู่อาศัยมีหรื อ, อยังมีแล้วก็ไม่ต้องไปดิ้นนอนไปหามาอีกสองสามบ้าน <c oughs> บ้านเดียวก็พอมีร่างกายอันเดียว <c oughs> นอนที่เดียว ถ้าจะไปที่อื่นก็ไปเช่าชั่วคราวเช่นเวลาจะไปเที่ยวก็ไปเช่าบ้านไปเช่าโรงแรมแต่บางคนนี่พิสดารพอไปเที่ยวที่นั่นก็อยากจะไปซื้อบ้านทิ้งไว้ที่นั่นเวลาไปจะได้ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมจะได้มีบ้านอยู่เป็นอย่างนั้นอีกมันก็มีแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องใช้เหตุผลมาแก้ปัญหา การใช้ใจ่ายแบบมือเติบใช้ใจ่ายแบบไม่มีขอบไม่เขตใช้ใจ่ายแบบพุ่งเฟอเห่อเฮิมใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยอันนี้มันเป็นการใช้ตามความอยากที่จะผลิตความวุ่นวายใจให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะมีสมบัติมากขึ้นก็ต้องคอยดูแลมากขึ้นใช่ไหมมีบ้านหลังหนึ่งก็ดูแลแค่หนึ่งเท่ามีสองหลังก็ต้องดูแลสองเท่า ค่าใช้จ่ายก็สองเท่าค่าน้ําค่าไฟค่าภาษีอะไรมันก็สองเท่าเพิ่มขึ้นไปหาแต่ความทุกข์มาใส่ใจด้วยความหลุนคิดว่าพอได้มากๆได้อะไรตามตามความอยากได้แล้วจะทําให้มีความสุขใจมันก็สุขตอนที่ได้มาใหม่ๆแค่นี้พอได้มาไปอยู่ครั้งสองครั้งก็ไม่ไปแล้วทิ้งให้ล้างไป น, นี่เกิ มาใช้เหตุผลมาลดการใช้จ่ายให้น้อยลงใช้เหตุผลว่าสิ่งที่จำเป็นจริงๆมีอะไรบ้างก็มีแค่ปัจจัยสี่และปัจจัยสี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อมาเพิ่มทุกวันมีเพียงแต่อาหารเท่านั้นนะ่ะที่จะต้องมีรับประทานทุกวันแต่บ้านนี้ก็ซื้อมาแล้วก็อยู่ไปได้จนวันตายเนะี่ยถ้ามันไม่พังเสียก่อน เสื้อผ้านี่ถ้าใช้จริงๆก็ไม่รู้กี่ปีกว่ามันจะขาดนะใช้มันไปจนกว่ามันจะขาดโรคภัยแค่เจ็บมันก็นานทีปีหนมันถึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแล้วก็มีวิธีรักษาแบบถูกๆสามสิบบาทรักษาทุกโรค ก, ก็มีประกันสังคมก็มีไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลขึอนน้ำหมื่นขึ้นล้นนลแสนนะมันก็ตายเหมือนกันนะถ้ามันจะตาย ถ้ามันจะหายมันก็หายเหมือนกันเพราะหมอมันก็ทำมาจากทั้งมาจากที่เดียวกันเนะ่หมอที่ทำโรงพยาบาล น, นักษาสามสิบบาททุกโรคเวลาว่างเขาก็ไปทำาโรงพยาบาล น, นักษาคืนละหมื่นเนี่ยก็หมอคนเดียวกันยาก็ผลิตมาจากโรงงานอันเดียวกันนะั่นแหละเฮงแต่เปลี่ยนติดป้ายเปลี่ยนชื่อหน่อยเหมือนกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าก็ติดชื่อหน่อยก็กลายเป็นของแพงขึ้นมา พอไม่ติดชื่อมันก็กลายเป็นของถูกขึ้นมามันก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันแหละมันก็ใช้ได้เหมือนกันโอ้หลงเนี่ยถูกความหลงหลอกให้ให้ซื้อของแพงๆมาใช้แล้วก็มาเครียดกับการไม่มีเงินใช้ไม่พอใช้เงินทองไม่พอใช้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกถ้มีเท่าไหร่ ม, ม, รมันก็ต้องใช้ความอยากมันก็จะมาเอาไปหมดเนี่ย ทีนี้ถ้าเราใช้เหตุผลใช้ความมากน้อยมากน้อยก็คือเท่าที่จำเป็นให้มีในสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีอย่าไปมีมันแล้วรับรองได้ว่าความอยากได้นู่นได้นี่มันจะถูกเบรกเอาไว้พอจะอยากปะก็าถามว่าจาเป็นมถ้าไม่ได้มันมาตายไหมถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็น ก็ไม่ต้องเอามันแต่ถ้าไม่ได้มันเราตายก็ต้องเอามันเช่นข้าวไม่มีกินเมื่อนี้เดี๋ยวไม่กินบ่อยๆตายหมยตายใช่ไหมตายก็ต้องกินอย่างนี้ต้องใช้เหตุผลถึงจะสามารถกำลาความอยากที่ไม่มีขอบไม่มีเขตได้ล้ารับรองได้ว่าต่อไปได้เงินเดือนขั้นต่าวันละสามน้อยก็แฮปปี้ อยู่อยู่ได้เหลือเฟือถ้ากินมือ้อละไม่กี่ตังกินมื้อละห้าสิบก็อิ่มเหมือนกันมื้อละห้าร้อยก็อิ่มเหมือนกันต่างกันที่สถานที่เราไปนั่งกินนั้งนั่นงกินข้างถนนก็ห้าสิบนั่งกินในร้านในโรงแรมก็ห้าร้อยออกมามันก็อิ่มเหมือนกันแล้วเรื่องอะไรไม่เสียงเงินเยอะๆทำไมโง่หรือฉลาดชอบซื้อของแพงๆของ แต่ของก็เบื่อกันของทําหน้าที่แบบเดียวกันอันนี้คือการใช้ปัญญาปัญญาในเบื้องต้นถ้าเราอย่างไม่สามารถที่จะถอดถอนความอยากได้อย่างจริงจังก็ต้องปรามมันด้วยการใช้ความมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือให้เอาน้อยที่สุดเอาเท่าที่จําเป็น สันโดษก็คือยินดีถึงแม้ว่าจะไม่พอก็ยินดีสมมติว่าควรจะมีอาหารวันละสามมื้อแต่ถ้าหาหา ม, มาได้เพียงวันละมือ้อก็ให้ยินดียิวันละมื้อก็ยังดียังไม่ตายก็แล้วกันอาจจะผอมหน่อยแต่ก็ก็ยังอยู่ได้เรียกว่าสันโดษสันโดษนี่อดได้ยิ่งกว่ามากน้อยนะมากน้อยนี่คืออย่างน้อยต้องมี มีของที่จําเป็นแต่สันโดษนี้ถ้าน้อยกว่าถ้าไม่มีก็ก็ไม่เดือดร้อนต้องทําใจยินดีไม่ไปดิน้นรนไปหามันถ้าถ้าไม่จําเป็นจะต้องไปดิน้นรนไปหามันถ้าไปไปแล้วมันทําให้เราทุกข์ก็อย่าไปทํามันสู้ยินดีตามมีตามเกิดไปใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่ได้มาสิ่งที่มีอยู่อันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของการ ใช้เงินทองลงได้มากทําไมเราต้องลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อเราจะได้ลดการลดเวลาไปหาเงินทองมานั่นเองถ้าเราใช้จ่ายมากเราก็ต้องหาหาเงินทองมากเมื่อเราหาเงินทองมากเราก็ต้องทํางานมากไม่มีเวลาที่เราจะไปจะเจริญปัญญาขั้นที่สามได้ปัญญาขั้นที่สามต้องมีภาวนา ต้องไปสมถะภ า, าวนาแต่ถ้าเราทางานน้อยลงใช้เงินน้อยลงเราก็ทำงานน้อยลงถ้าเราลดเงินค่าใช้จ่ายร้อยละเดือร้อยละห้าสิบเราก็ทำงานแค่ร้อยละห้าสิบได้ไปทำงานห้าวันก็ลดเหลือแค่สองวันครึ่งก็ได้เราจะได้มีเวลาอีกสองวันครึ่งไปอยู่วัดไปฝึกสมาธิ ไปทำสมถภาวนากันเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราขาดตอนนี้ก็คือกําลังของอุเบกขาเรารู้ว่าความอยากนี้มันทาให้เราเกิดความทุกข์ใจแต่เวลามันอยากเรายังหยุดมันไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นตายรักก็ตามแต่ก็ยังอยากได้อยู่นั่นเพราะว่าเราไม่มีกําลังไม่มี สมถภาวนาไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาแต่ถ้าเราลดการใช้ใจ่ายเงินทองได้เราก็จะลดเวลาหาเงินหาทองได้เราก็จะมีเวลาว่างที่จะไปไปเรียนวิธีนั่งสมาธิไปเรียนวิธีธเจริญสมถภาวนาเพื่อให้เกิดอุเบกขาภาวนาเกิดอุเบกขาขึ้นมาในใจ พอเราไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิบ่อยๆจิตก็เนิ่งสงบเป็นอุเบกขาจิตก็อิ่มอุเบกขาก็คืออิ่มเนี่ยความอิ่มไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นชั่วคราวขณะที่มีอุเบกขาด้วยสติพอเราได้ได้อุเบกขาจากสติแล้วทีนี้เราก็เอาปัญญามา เสอุเบกขาให้เป็นอุเบกขาด้วยปัญญาเคยเห็นว่าสิ่งที่เราไปอยากได้นี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากได้อุเบกขาที่เป็นเกิดจากสติาก็กลายเป็นอุเบกขาที่เกิดจากปัญญาเคอจะเป็นอุเบกขาแบบถาวรทันทีต่อไปสิ่งที่เราเลิอกอยากได้เราจะไม่กลับไปหามันอีก เคยอยากเที่ยวก็ไม่ไปหามันอีกเคยอยากได้ตําแหน่งอะไรมันก็ไม่กลับไปหามันอีกเนียเคยอยากได้แฟนก็ไม่กลับไปหาแฟนอีกนีถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ใครอยากจะกลับไปหาความทุกข์กันการเห็นไตายักก็คือการเห็นความทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้นั่นเองแล้วถ้าเรามีอุเบกขาจากสติมันก็จะช่วยทําให้เราหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ด้วยปัญญา อุเบกขาที่ได้จากสติก็จะกลายเป็นอุเบกขาที่ได้จากปัญญาเพราะปัญญาได้กําจัดความอยากให้หายไปพอความอยากหายไปจิตก็เป็นอุเบกขา ข, าขึ้นมาโดยอัตโนมัติจิตที่หิวก็กลายเป็นจิตที่อิ่มขึ้นมามนี่คือกระบวนการของการสร้างปัญญาเราต้องไปสู่ขั้นที่สามให้ได้่ยตอนนี้เรา มาได้ขั้นที่หนึ่งเดินมาครั้งมาฟังเทศฟังธรรมได้ขั้นที่สองกลับไปบ้านก็ไปนึกต่อเอาพิจารณาอยู่เนืองเนื่องว่าสิ่งต่างๆที่เราหลงไหลอยากได้ให้ความสุขกับเราความจริงมันสุขจริงหรือเปล่าหรือมันสุขปอมมันเที่ยงแท้แน่นอนหรือเปล่าหรือมันไม่แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของเรา ไ, ได้ตลอดหรือเปล่า หรือว่าจะต้องมีการพัดผาคจากกันไปในวันใดวันหนึ่งต้องพิจารณาเนืองเนืองหลังจากที่เรามาฟังเทศแล้วเราก็ต้องเอาปัญญาที่เราได้รับจากการฟังเทศไปคิดต่อเพื่อจะได้ไม่ลืมนั่นเองแล้วจะได้เกิดความเข้าใจ ลึกซึ้งมากขึ้นยิ่งคิดมันยิ่งลึกซึ้งนะมันยิ่งจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันให้ความสุขกับเรามันกลายเป็นความทุกข์ทั้งนั้นอ่ะพอได้อะไรมาแล้วทุกข์ก็แม่ได้รถมาเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับรถนะเบืงตอนก็ต้องทุกข์กับค่าน้ํามันนะต้องมีรายจ่ายค่าน้ํามันทุกข์กับหาที่จอดรถทุกข์กับต้องจ่ายค่าประกัน เพราะกลัวเดี๋ยวจะถูกลดลถจะถูกขโมยไปมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยพอมีสมบัติอันใดมาเป็นของเราปับเมื่อไหร่ความทุกข์มันจะตามมาทันทีอันนี้ต้องใช้ความคิดพิจารณาดูถึงจะเห็นว่าการมีอะไรนี้มันไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมันเป็นของสองด้าน มันเป็นเหมือนเหรียญนี่ยเหรียญมันมามันมีสองด้านมีทั้งหัวมีทั้งก้อยสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันมันเป็นสุขเนี่ยมันมีทุกข์อีกด้านหนึ่งเพียงแต่เราไม่พิจารณาเลยมองไม่เห็นนะคิดว่าโอ้ยได้มาแล้วจะมีความสุขไปตลอดที่ไหนได้หม้อก้าวยังไม่ทันดําตี ก, กันแล้วทะเลาะกันล่ะอันนี้ก็มองไม่เห็นไม่คิดว่า คนที่เราคิดว่าเราลักเขาเขาเขารักเรานี้เขาจะเปลี่ยนไปได้เนาะตอนที่ยังไม่ได้เป็นของกันและกันเนี่ยโอ้ยต่างคนต่างเกงใจกันเอาอกเอาใจกันพอได้มาเป็นของตนนะทีนี้ก็จะเอาต่างคนก็ต่างยาเอาใจตัวเองแล้วสิพอใจตัวเองกับใจของเขาไม่ตรงกันก็ตีกันะก็ทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะกันเสียใจดีไม่ดีก็ทุบตีกันอีกน อ น, นี่มันเป็นสิ่งที่เราไม่พิจารณากันมันเป็นละคร น, น้ําเน่าเนะี่ยดูกันทุกวันทุกวันแต่ก็ลืมกันพอตัวเองไปแสดงทีไรก็ลืมว่ามันเป็นละคร น, น้ําเน่าเดี๋ยวจะต้องเจอกับความทุกข์พอใครเขาพอมีโอกาสจะได้อะไรขึ้นมานี้คิดว่าเป็นสุขทันทีไม่ใครคิดว่ามันจะเป็นทุกข์ น, นี่คือ เราต้องเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสนะเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกิจรสไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนี้มันไม่เที่ยงหนอะมันมีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมได้แล้วก็มีเสียเวลาได้ก็ดีใจเวลาเสียก็เสียใจเราก็สั่งมันให้มันมาอย่างเดียวไม่ได้ เวลามันจะไปเราห้ามมันให้มันไม่ให้มันไปก็ไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราต้องพยายามระลึกอย่างนี้สอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วเวลามันอยากได้อะไรมันจะได้ไม่อยากได้มันก็จะใช้มักน้อยมาแทนที่ว่าจาเป็นหรือไม่เราต้องมีมันหรือไม่เราไม่มีมันเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่มีมันไม่ตายก็อย่าไปเอามันดีกว่า เอาแล้วจะเอาความทุกข์มาแบกเพิ่มขึ้นพอได้อะไรมาแล้วก็ต้องดูแลรักษาแล้วเวลาสูญเสียไปก็เกิดความเสียใจขึ้นมา <c oughs> นี่คือขั้นที่สองหลังจากที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วดูแล้วว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากในอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิดนด่นรสแล้วก็อยากได้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ต้องเอามาคิดอีกด้วยสิ่งที่เราอยากได้ไม่เที่ยงแล้วเครื่องมือคือร่างกายที่เราใช้หาสิ่งต่างๆมาให้กับเรามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันต่อไปมันก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ตามที่เราสั่งได้อย่ากให้มันไปเที่ยวพาเราไปเที่ยวมันก็ไปไม่ไหวบอกต้องนั่งรถเข็นไป หลือนอนบนเตียงไปนี่ไปไม่ได้เพราะร่างกายมันเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็ต้องตายไปนี่คือสิ่งที่เราต้องพิ จ, จารณาอยู่เนืองๆ เ, เพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้สอนใจให้หยุดความความอยากหยุดความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกาย เพราะจะมีวันที่เราจะไม่สามารถหาได้พอถึงวันนั้นแล้วจะมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะอยู่เฉยๆได้ไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่มีแฟนก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนร่างกาย แก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนถ้ายังเดือดร้อนอยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีอุเบกขาก็ต้องไปเสริมอุเบกขาไปฝึกสมาธิไปหาที่สง บ, บอยู่คนเดียวเปรีกยวเวแล้วก็หมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยเพื่อหยุดความคิดต่างๆให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้จิตก็จะนิ่งสง บ, บเป็นอุเบกขาขึ้นมา แล้วจิตก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาจิตสงบนี้เหมือนจิตก็ปล่อยวางทุกอย่างแต่เป็นการปล่อยวางแบบชั่วคราวด้วยสติด้วยการดึงจิตให้ออกจากเรื่องราวต่างๆที่เราไปทุกข์อยู่ด้วยเราทุกข์เพราะเราไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นเองพอเราหยุดคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นความทุกข์ในใจก็จะหายไปแต่มันจะหายได้ชั่วคราว พอเวลาที่เราออกมาจากสมาธิพออุเบกขาเราไม่มีเดี๋ยวเราก็เริ่มทุกข์กับเรื่องราวที่เราเคยทุกข์อยู่อีกถ้าจะทําให้ไม่ทุกข์เวลาที่ออกมาเจอกับเรื่องราวที่ทําให้ทุกข์ก็ต้องพิจารณาว่าที่เราทุกข์เพราะอะไร <c oughs> ก็ทุกข์เพราะความอยากอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไปตามความอยากของเราแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเป็นอะไรเขาเป็นอนิจจังหรือเป็น นิจจังเขาเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาเนี่ยพอพิจารณาเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้หรือไปสั่งเขาได้เราก็หยุดความอยากนี้เสียก็แล้วกันเพราะอยากก็ไม่ได้อยู่ดีก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาปล่อยวางพอปล่อยวางด้วยปัญญาได้และมีสมาธิอุเบกขาสนับสนุนอยู่มันก็ปล่อยได้น พอปล่อยได้แล้วทีนี้มันก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นอีกต่อไปเพราะมันจะไม่ไปยึดไปหยากกับเรื่องนั้นอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าปล่อยแบบถาวรดับความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้อย่างถาวรด้วยปัญญาแต่ถ้าด้วยสตินี้มันดับไม่ได้ทุกครั้งเจอเรื่องนั้นก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาทันที วิธีเจ็ดดับชั่วข่าวก็ต้องหนีมันเข้าไปในสมาธิพุโทโธพุโทโธไปพอลืมเรื่องนั้นมันก็หายทุกไปพอออกมาจากสมาธิมาเจอเรื่องนั้นอีกมันก็เริ่มทุกข์มาอีกนะแต่ถ้ามอมีปัญญาว่าที่ทุกข์เพราะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะแต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีอยากก็ไม่ได้สู้ไม่อยากไม่ดีกว่าไม่อยากแล้วมันไม่ทุกข์อยากแล้วมันทุกข์ คือปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปมันจะเหิวก็เหิวผมมันจะขาวก็ปล่อยมันขาวไปหนังมันจะเหี่ยวจะย่นก็ปล่อยมันเหี่ยวไปเพอะปล่อยได้แล้วมันก็ไม่ทุกข์กับความชรากับความแก่แต่ถ้ายังอยากให้มันดำอยู่เรื่อยๆมันก็ต้องทุกข์ต้องคอยคอยย้อมอยู่เรื่อยๆพอขาวขึ้นมาปุ๊บก็ทุกข์ขึ้นมาทันที พอเหี่วก็ต้องไปดึงมันอยู่เรื่อยให้มันตึงเพราะดึงตึงแล้วเดี๋ยวมันก็เหี่ยวอีกก็ทุกอีกเนั้นพอมองไม่ยอมรับอนิจจังไม่ยอมรับว่าความความชราเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายร่างกายมันต้องเสื่อมทรงไปตามเวลาของมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาห้ามันไม่ได้เี่ย พอเรายอมรับความจริงอันนี้แล้วก็ปล่อยมันปล่อยมันเหี่ยวไปปล่อยมันขาวไปดีไม่ดีกับกายเป็นแฟชั่นใหม่ขึ้นมาแฟชั่นผมขาวเป็นคนคนมีปัญญาเนี่ยถึงจะเรียกแพคนผมขาวนะคนที่มีผมสั้นเนี่ยคือคนมีปัญญาคนที่ผมยาวนี่เป็นคนงโง่คนที่ผมสั้นยิ่งหัวร้อนนี่ยิย่งยิ่งมีปัญญาเยอะ ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ามีมีผมหรือเปล่าเนี่ยอยากจะดูคนฉลาดนึกโง่ดูที่ผมนี่แหละถ้าผมยาวนี่แสดงว่ายังโง่อยู่ถ้าผมยาวผมสวยเนี่ยแสดงว่าโง่แต่ผมสั้นนีแสดงว่าฉลาดเพราะไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องผมนะไหมไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องผมงัม้นต้องคอยย้อมมันอยู่เรื่อยคอยคอยดัดมันอยู่เรื่อยคอยหวีมันอยู่เรื่อย แต่พอไม่มีผมแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันสบายทุกน้อยกว่าคนมีมีปัญญาจึงไม่มีผมยาวกันดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพอมีผมแล้วมันก็มีภาระต้องหวีต้องสระแล้วก็ต้องแต่งพอไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีภาระกับมันสบายนั่นนี้เกิด อ น, นิจจังเรื่องของอ น, นิจจังที่เราต้องหมั่นระลึกถึงอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ารู้อ น, นิจจังแล้วแต่ยังทำใจไม่ได้ก็ต้องไปฝึกสมาธิไปหาเวลาว่างๆไปอยู่วัดสักสามวันห้าวันไปนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธทำใจให้เป็นอุเบกขาช่วงไหนที่ใจเป็นอุเบกขามันก็ปล่อยได้วางได้ช่วงไหนมันไม่เป็นมันก็ยังไม่ปล่อย เราต้องพยายามให้มันเป็นโอเบกขาให้มากๆเป็นทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิเป็นทั้งขณะที่ออกจากสมาธิมาเวลาเข้าสมาธินี่เราจะได้อุเบกขาพอออกจากสมาธิโอเบกขามันก็จะตามออกมาได้แต่จะอยู่ได้ไม่นานเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาแช่ในตู้เย็นมันเย็นเฉียบนะพอเราออกมาจากตู้เย็นทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็หายเย็น พอหายเย็นเราก็ต้องอกลับเข้าไปในตู้เย็นใหม่ให้มันเย็นใหม่การทําสมาธิเพื่อให้จิตเป็นอุเบกขาก็แบบเดียวกันถ้าอยู่อยู่ข้างนอกสมาธิแล้วไม่มีอุเบกขาเราก็ต้องเข้าสมาธิกันพอเข้าสมาธิก็ถ้าอยากจะได้อุเบกขานานก็ต้องแช่ให้มันนานๆอยู่มันนานถ้าอยู่เดียวๆมันก็เย็นเดียวๆเวลาออกมามันก็จะหายเย็นเร็วแต่ถ้าแช่มันเป็นน้ําแข็งเลยนะ พอเอามาจากตู้เย็นนีทิทงไว้เป็นิทงเวลได้อีกนานกว่าจะหายเย็นพอมันจะเริ่มหายเย็นก็เอากลับเข้าไปแช่ใหม่สมาธิก็เป็นแบบเดียวกันถ้าเราอยู่ในสมาธิได้ชั่วโมงเนี่ยออกมาจากสมาธิอุเบกขาจะอยู่ต่อได้เกือบชั่วโมงพอมันจะหายเราก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปเมื้อตอนนี้เวลา สร้างสมาถะภาวนานี้อย่าไปกังวลกับปัญญานะเอาสมาถะนี้ให้มันให้มันเข้มข้นก่อนให้มันได้อุบเบกขาตั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและออกจากสมาธิพอได้อุบเบกขาตอนที่ออกจากสมาธิแล้วทีนี้นเราก็ใช้ปัญญามาพิจารณาเพื่อปล่อยวางได้หรือเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมา จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจจะได้ข่าวไม่ดีสูญเสียคนที่เราลักไปใจไม่สบายพอเราใช้ปัญญาพิจารณาตายลักเห็นว่าคนที่ตายไปเขาเป็นตายลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราไปหยุดไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราหยุดใจของเราไม่ทุกข์กับเขาได้ด้วยการหยุดความอยากไม่ให้เขาจากเราไป เพอเขาจากไปแล้วอยากงไงเขาก็ไม่กลับมาอยู่ดีถ้ามีอุเบกขาก็จะหายทุกทันที น, นี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาที่มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับแรกนี้พวกเรามาทำกันอย่างต่อนเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้วระดับที่สองนี้ไม่ทราบว่า มีหลงเหลืออยู่ใน ใ, ในความคิดบ้างหรือเปล่าเวลาจากที่นี่ไปพอจากที่นี่ไปก็ลืมมารยาศ ส, ส, สีลืมายรักเห็นอะไรก็น่ารักน่าอยากได้ขึ้นมายังอยากได้ราบยศสรเสริญยังอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็แสดงว่าไม่ไม่ได้เอาไปพิจารณาต่อ ถ้าพิจารณาต่อมันจะไม่เลืเมยพออยากได้อะไรมันก็จะเตือนใจว่าเอ๊ะมันเป็นทุกข์นะแล้วถ้ามันอยู่ในระดับที่เราเลิกได้เราก็จะหยุดได้แต่ถ้ามันอยู่ในระดับที่เราหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องไปหาอุเบกขามาช่วยเราต้องไปปีกวิเวกแล้วเนี่ยมาเรียนมาฟังเทศมาได้สุตตมัจจปัญญาไปแล้วเอาไป แปลงให้เป็นกิจตามมายาปัญญาแล้วคือไม่หลงไม่ลืมแล้วแต่ยังไม่สามารถหยุดความอยากได้ทีนี้ก็ต้องไปสร้างภาวนามยาปัญญาแล้วด้วยการไปปีกวิเวกไปเจริญสติไปดั้งสมาธิเพื่อทําให้ใจเกิดความสงบขึ้นมาเกิดอุเบกขาขึ้นมาพอเกิดอุเบกขาแล้วก็เอาปัญญามาสอนใจถ้ายังอยากกับเรื่องใดอยู่รับรองได้ว่ามันจะตับได้ มันจะปองได้จะวางได้มันจะไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นอีกต่อไปต้องพยายามผลักดันการศึกษาของเราให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สามให้ได้คือขั้นภาวนามยัปัญญาเพราะเป็นขั้นที่เราสามารถที่จะดับความทุกข์ได้ทุกชนิดความทุกข์ต่างๆนี้จะสู้ภาวนามยัปัญญาไม่ได้แต่ความ ความทุกอย่างทุกชนิดนี้หรือบางชนิดนี้มันยังมันยังสู้ได้มันสู้จินตาได้มันสู้สุดตะได้แต่มันจะสู้ภาวนามยาปัญญาไม่ได้ดั yeah. งนั้นถ้าเรายังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่แล้วเราไม่สามารถใช้สุตะมยะปัญญาหรือจินตามยปัญญากาจัดมันได้เราก็ต้องไปเจริญภาวนามยะปัญญา โดยการไปปีกวิเวกถือศีลแปดอยู่คนเดียวถึงแม้จะไปอยู่วัดอยู่หลายๆคนแต่เวลาปฏิบัติก็แยกกันอยู่ความหมายคืออยู่คนเดียวปฏิบัติคนเดียวเพราะถ้าไปปฏิบัติเป็นกลุ่มนี้มันยังไม่มันยากที่จะได้อุเบกขาได้สมาธิมันเหมาะกับพวกเด็กอนุบาลที่ยังเดินจงกรมไม่เป็นนั่งสมาธิไม่เป็นต้องให้มีคนสอนทําไปก่อน พอไปเรียนรู้วิธีเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ต้องแยกไปทำเองทำให้มากทำให้บ่อยเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิเพื่อจเจริญสติเพื่อทำให้ใจสงบเดินจงกรมก็เป็นการจเจริญสตินั่งสมาธิก็เป็นการทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาพอเราได้อุเบกขาแล้วทีนี้เวลาเกิดความทุกข์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเห็นไตรลักษ แล้วก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นใน ต, ตอนนั้นก็จะหายไปนี่คือเรื่องของความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่มีไว้สำหรับดับความทุกข์ใจคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้จะมีมากมายในพระไตรปิฎกนี้มีตั้งแป0 0มื่นสะี่พันบทนะมันก็เหมือนเหมือนกับน้ำทะเล น้ำทะเลก้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็มีรถอันเดียวคือรถของความเข้มฉันได้ความสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคําสอนน่าจะมีมากมายก่ายกองก็มีเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของการดับความทุกข์นี่เองนะเวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เราจะฟังวิธีดับความทุกข์กันเมื่อฟังแล้วเราก็ต้องเอาไปทําการบ้านเกิดไปคิดอยู่ได้เรื่อยเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมน เพื่อเวลาที่เราเกิดความทุกข์เราจะได้เอาความรู้นี้ประดับมันถ้าดับไม่ได้ก็แสดงว่าเราขาดสมาธิเราก็ไปทำสมาธิพอมีทั้งความรู้ปัญญาและมีสมาธิมันก็จะเป็นภาวนามาย์ปัญญาขึ้นมาพอเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็จะดับได้ทันทีต่อไปความทุกข์ต่างๆที่เกิดที่มีอยู่ในใจนี้มันจะหายไปหมด เพราะภาวนามยปัญญานี้จะทําลายหมดทุกชนิดเนี่ยเวลามันโผล่ขึ้นมาปั๊บปัญญาเข้ามาปั๊บหยุดมันปั๊บเห็นไตรักปั๊บหยุดความอยากปั๊บความทุกข์หายไปปั๊บทันทีนี่คือเรื่องของความรู้ทางพระพุทธศาสนาคือปัญญาสามระดับสุตตามายปัญญาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างที่ท่านกําลังมา ทำกันอยู่วันนี้แล้วขั้นที่สองก็คือยินตาเมยัปัญญาเอาความรู้ที่ได awesome eh. <narrative>. <ety> ้ย <September> ินในวันนี้ไปพิจารณาไปทำการบ้านต่อเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วก็เอาไปภาวนาทำใจให้สงบเพื่อจะได้ภาวนาเมยัปัญญาเป็นความรู้ระดับที่สามที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้อย่างถาวรก็เป็นเรื่องที่ขอเอามาฝากไว้เพียงเท่านี้ การแสดงก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวามีวาอิตโตทินัางเปตานางอุ ป, ปกาปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนตตจังกปา จันโทปนณราโสยถามณีโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทสานิจังวุฒาปจายโน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 อยากจะถามถามตอนนี้ไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ <c oughs> กราบนมัสการเจ้าค่ะวันนี้ทางเฟ e บุ๊กมี243สิบสามท่าน y o u t u สอง9 6เกสหท่านวิทยุออนไลน์28สิบดท่านค่ะผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยแปดสิเก้าท่านรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบหกท่านเจ้าค่ะ ใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมานะจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีก็เอาคำถามจากทางบ้านเลยคำถามจากคุณทนนี่ค่ะเวลาจะทำบุญกับกลุ่มพระที่เดินทุดงอยู่ในตอนเช้าราวๆเจ็ดโมงกำลังที่จะไปจังหวัดอื่นซึ่งเราเจอโดยบังเอิญบนถนนเราสมควรจะใส่บาตรด้วยอะไรเจ้าคะเช่นยาสมุนไพราอาหารหรือน้าตานะเจ้าคะ ก็แล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมว่าจะเหมาะสมอย่างไรเพราะเวลาท่านเดินธุ ด, ดงท่านก็คงไม่ได้เตรียมบาตรไว้รับของงั้นท่านก็คงจะไม่ได้บิณฑบาตตอนนั้นก็คงจะไม่คงไม่พร้อมที่จะรับอาหารหรือรับอะไรเพราะท่านเดินธุ ด, ดงอยู่นอกจากว่ามีลูกศิษย์ลูกหาอยากจะถวายอะไรก็ฝากลูกศิษย์ลูกหาไว้ก็ได้ ได้ทั้งนั้นแล้วแต่เราอยากจะถวายแต่สำหรับองค์พระท่านท่านถ้าท่านเดินธุดงค์ท่านก็คงจะไม่ได้เดินบิณฑบาตคะคำถามจากคุณเจนทรลักค่ะหลวงพ่อคะจนแล้วมันช่วยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไม่ได้เจ้าค่ะความจนมันน่ากลัวค่ะถ้าลูกอยากรวยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นลูกคิดแบบนี้ลูกจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะอ่ กดดันเราถ้าเราทำไม่ได้ถ้าเราทำได้ก็ดีถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องตรงว่าเราไม่มีฐานะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ตอนนี้อาตัวเองให้รอดยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่ า, างั้นการไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนี้ไม่เป็นบาปแต่ไม่เป็นบุญเท่านั้นเองไม่ได้บุญ ถ้ามีฐานะมีความสามารถจะช่วยหรือผู้อื่นได้ก็จะได้บุญแต่ในเบื้องต้นเราก็ต้องช่วยตัวเราเองก่อนเลี้ยงดูตัวเราเองให้อยู่รอดก่อนเมื่ออยู่รอดแล้วมีเหลือมีอะไรเหลือที่จะช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยไปตามกำลังของเรา คำ ถ, ถามที่สองจากท่านเดิมค่ะภาวนามากๆกลับมาบ้านรู้สึกไม่มีความสุขกับการครองเลือนเรายังต้องทำหน้าที่ภรรยาทำหน้าที่แม่ทำหน้าที่ลูกทำหน้าที่ขารวาดถ้าทิ้งทางโลกไปทางธรรมเกินไปนี่ไม่บาปหรือเจา้าคะก็เวลาตายบาปหรือเปล่าเวลาตายก็ทิ้งไปหมดเหมือนกันไม่ใช่นะไหเนี่ยมันไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเราจะทำใจได้หรือเปล่า อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทิ้งทุกอย่างไปหมดเหมือนกันท่านก็ทำใจได้ท่านก็คิดว่าเป็นเรื่องของการพัดภาคจากกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่ช้าก็เร็วไม่จากกันวันนี้ก็ต้องจากกันวันหน้าอยู่ดีอย่างนั้นถ้าจากไปเพื่อเพื่อประโยชน์ที่สูงกว่าและจะได้กลับมาช่วยเหลือเขาในลำดับต่อไปก็เป็นการจากที่มีคุณค่ามีประโยชน์ พระุทธเจ้าจากไปแล้วพอตัดสั้แล้วก็กลับมาช่วยให้ญาติพี่น้องได้บรรลุธรรมกันเยอะแยะไปหมดจากแบบนี้ก็ไม่ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนถ้าจากไปเพราะไม่อยากจะรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวอยากจะหนีไปอยู่คนเดียวสบายๆถ้าจากแบบนี้ก็จากแบบเห็นแก่ตัว <c oughs> คำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะเวลานั่งสมาธิจิตใจชอบคิดปรุงแต่งพอท่องพุโทโธพุโทโธจิตก็ยังคิดปรุงแต่งอยู่พระอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับก็พุพโทโธไปเรื่อยๆนะพุโทโธมันเหมือนเบรกรถยนต์เนี่ยเวลาจะเบรกรถยนต์ไม่ใช่แตะหนเดียวแล้วมันจะหยุดทันทีทไหนรถวิ่งมาเร็วๆร2อยี่สิบนี่ต้องเหยียบแบบตลอดเวลาจนกว่ามันจะหยุดถึงจะปล่อยเบรกได้ ไม่ใช่พุทธโทสองสามคำแล้วความคิดมันจะหยุดตามที่พุโทโธมันไม่หรอกมันก็ยังคิดอยู่แล้วก็ต้องพุโทโธไปตามใดที่มันยังคิดอยู่เราก็หยุดพุดโทโธไม่ได้ถ้าพุทธโทชนะเดี๋ยวความคิดมันก็หยุดไปหมดเองแต่ถ้าพุโทโธแพ้ความคิดมันก็ชนะเนี่ยเราต้องเราเราพุโทโธแล้วต้องพุโทโธแบบไม่หยุดนะจะหยุดตอนเมื่อความคิดมันหยุดแล้วเหมือนเหยียบเบรกรถยนต์ จะเหยียบเบรกแล้วไม่ปล่อยเบรกจนกว่ารถยน์มันจะหยุดถึงจะปล่อยเบรกได้คำถามจากเด็กชายภคินถ้าผมโดนเพื่อนแกล้งและด่าบ่อยๆจนหันไปด่าเพื่อนกลับบ้างอย่างนี้ผมจะบาปไหมครับก็บาปเท่ากันฮะเขาด่าเราเราด่าเขากลับก็เร็วเท่ากันเนี่ยถ้าอยากจะไม่เลวเหมือนเขาแล้วก็เฉยๆไปคอยกาด่าไป คำถามจากคุณเสียงค่ะอยากให้พระอาจารย์เล่าประวัติตอนที่อยู่วัดป่าบ้านตาดให้ฟังนะครับอ๋อไปอ่านหนังสือดิเวลาไ ม, ไ, มไม่ใ ช, ใช่เป็นเวลามาเล่านี่เวลาตอบคำถาม <คำ S 2> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีเล่มใหม่ออกมาเร็วๆนี้มีภาคสองเอาจาะลึกเข้าไปหน่อยมีรายละเอียดมากเพิ่มมากขึ้นคำถามฝากถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคับ หากจิตเราเป็นอุเบกขาแล้วความคิดความรู้สึกการพูดการกระทาก็จะไม่มีเอ็นเอียงเพราะด้วยความเป็นกลางจากอุเบกขาถูกต้องไหมเจ้าคะดังนั้นถ้าจิตเป็นอุเบกขาก็ไม่มีอะไรจะยึดมั่นถือมั่นเลยใช่ไหมเจ้าคะไม่ว่าจะอยู่จะกินจะนอนจะอะไรอะไรก็ตามในชีวิตเป็นสิ่งที่เรียบง่ายสบายชีวิตก็ไม่ต้องยุ่งยากไปทุกอย่างอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะใช่ แต่มันไม่แน่บางทีกิเลสที่ยังไม่ตายมันก็อาจจะมาหลอกมาล่อได้ถ้าไม่ทันมันถ้าไม่มีปัญญาทันมันก็อาจจะหลงไปกับมันได้ถึงแม้จะไม่อุเบกขาก็ต่างหรือว่าอุเบกขามันยังไม่แน่นมันไม่เต็มร้อยพอจากสมาธิมาเดี๋ยวกิเลสมันแทรกเข้ามาหลอกเราได้ถ้ากิอุเบกขาไม่เต็มร้อยมันก็อาจจะหลงไหลไปตามมันได้ ก็ต้องใช้ปัญญามาคอยสอนใจว่าไปหาความทุกข์เท่านั้นแหละถ้าไปไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันเป็นสุขอย่างเดียวมันต้องมีทุกข์ตามมาต่อไปคำถามจาคุณน้ำฝนค่ะเวลาสวดมนต์แล้วจะโน้มจิตถึงครูบาอาจารย์ที่เรานับถือคาว่าโน้มจิตหมายถึงการที่เราคิดระลึกถึงใช่ไหมเจ้าคะรบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้จแจงคาว่าโน้มจิต เพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะก็เราเลิกถึงพระคุณของท่านเนี่ท่านมีพระคุณอย่างไรบ้างท่านสั่งทั้งสอนเราให้เรามีธรรมะมีปัญญาทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเพื่อจะได้ไม่ลืมบุญคุณของท่านมีโอกาสจะได้ไปทดแทนบุญคุณไปทำบุญตอบแทนบุญคุณให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบิดามารดาก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่รับนึกถึงเราลืมได้พอเราลืมแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปตอบแทนบุญคุณเราก็เลยกลายเป็นคนอกตัญญูไปนี่อันนี้ให้ระลึกถึงเพื่อป้องกันความเป็นคนอกตัญญูและเพื่อน้อมเอาคำสั่งคำสอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติได้สมบูรณ์เอามาปฏิบัติต่อให้มันสมบูรณ์ต่อไป คำถามจากคุณไพฑูรย์ค่ะพระอาริยบุคคลขัน้นพระโสดาบันยังสามารถล่วงเกินศีลอยู่บ้างได้หรือไม่ครับออไม่หลาอกพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ท่านไม่ละเมิดศีลข้อใดเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นว่าการทำบาปนี่ขาดทุนไม่ได้กำไรก่อนที่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมคิดว่าการทาบาป เรากำไรได้เงินได้ทองได้ทำในสิ่งที่อยากได้แต่ไม่เห็นโทษที่จะตามมาเวลาที่ทำไปแล้วคือความไม่สบายใจและเวลาตายไปใจต้องไปเกิดในอบายเนี่ยแต่พระอรียสบุคคลทุกคนทีน่เห็นเห็นที่ไปของผู้กระทำบาสเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำบาสและเห็นว่าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว จะต้องไปใช้กรรมในอบายก่อน <c oughs> จนกว่ากรรมที่ได้ทําไว้มันหมดกําลังที่จะดึงใจไว้ในอบายถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ถ้ายอมอดทนยอมไม่เอาในสิ่งที่อยากได้เพราะไม่อยากจะทําบาปก็จะไม่มีอะไรคือจะไม่ได้สิ่งที่อยากได้แต่ก็จะไม่มีโทษตามมาไม่มีบาปติดตัวไปไม่มีอบายที่จะต้องไปเกิดนะ ปารยะบุคคลท่านมองไกลท่านไม่ได้มองแต่เฉพาะพบในชาตินี้ท่านเห็นชาติหน้าที่จะตามมาด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตใจของตนถ้าทำบาปท่านก็เลยไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดโอเคแล้นี่คือการปฏิบัตินี่ปฏิบัติไปแล้วมันจะเห็นจิตตัวจิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวจิตเราเห็นแต่ร่างกาย พราะตัวจิตมันมาติดอยู่กับร่างกายแต่พอเราฝึกภาวานานั่งสมาธิเราก็จะดึงจิตแยกออกจากร่างกายแล้วเราก็จะเริ่มรู้จักตัวจิตว่าโอ้ตัวจิตนี้กับตัวร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันตัวจิตเป็นนายตัวร่างกายเป็นผู้รับใช้เป็นบ่าวจิตเป็นผู้สั่งการจิตเป็นผู้ทําบุญทําบาปและจิตเป็นผู้รับผลบุญผ ล, ผลบาป พอทำบุญจิตก็มีความสุขพอทำบาปจิตก็มีความทุกข์แล้วพอเวลาไม่มีร่างกายจิตที่มีความสุขก็เป็นเป็นสวรรค์นี่เองจิตที่มีความทุกข์ก็เป็นอบายมันจะเห็นชัดเจนถ้าเราได้ภาวนาถ้าเราสามารถนั่งสมาธิทำจิตให้สงบเข้าเข้าอัปปนาสมาธิได้จิตกับร่างกายจะแยกออกจากกันอย่างอย่างเต็มร้อย ตอนนั้นร่างกายเป็นอะไรนี่จิตไม่ได้รับรู้ไม่สะเทือนไม่ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บยังไงพอจิตเข้าอัปปนาไปแล้วความเจ็บของร่างกายไม่เข้ามาที่ใจจิตก็นั่งต่อไปได้อย่างสบายแต่ถ้าจิตไม่เข้าอัปปนานี้มันจะทลนเทร า, ายเพราะมันรับความรู้ของทางร่างกายว่ามันเจ็บตรงนั้นมันปวดตรงนี้ มันก็เกิดความอยากที่จะให้ความเจ็บของร่างกายหายไปมันก็เลยไปสร้างความทรมานใจให้เกิดขึ้นแต่พอใจแยกออกจากร่างกายได้ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายไม่รับรู้เรื่องของความเจ็บของร่างกายใจกันอยู่เฉยๆสงบมีความสุขคำถามจากคุณสไอม์ค่ะ จิตที่ขาดจากกิเลสทาวารคือจิตที่ขาดจากอารมณ์หรือการปรุงแต่งนั้นๆแบบที่จิตเราไม่กระเทือนขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับใช้อุบายไหนในการตัดจิตกับอารมณ์ออกจากกันครับอารมณ์มันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งไปทางกิเลสนั่นเองพอคิดไปทางกิเลสมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าไม่คิดไปในทางกิเลสมันก็ไม่เกิดอารมณ์ แ้าคิดทางเหตุทางผลมันไม่มีอารมณ์แต่พอคิดไปตามความโลภความอยากความโกรธนี่มันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเห็นผ้าอรหันนี่ท่านหยุดความคิดไปในทางที่จะไปผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้ท่านก็จะไม่มีอารมณ์เลยจิตท่านก็จะว่างปราศจากอารมณ์ว่าวุ่นขนมัวต่างๆคำถามจากคุณ นันทการค่ะศา ส, สนาอื่นๆเขาคิดว่าเขามีนรกสวรรค์ไหมครับก็ต้องไปศึกษาดูสิเราไม่ได้ศึกษาศาสนาอื่นจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญบอกเราได้ยังไงหมดแล้วเหรอหมดนะคะพระอาจารย์โอเคหมดแล้ ว, ม, ลวมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมคงไม่มีนะเพราะเป็นขาประจำเลยนะฟั <laughs> งมาจนหูฉีกอ้ะ <laughs>